เรื่องพระอุชานาสัญญีเทระพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารพพระเทระรูปหนึ่งชื่ออุชานะสัญญีได้ยินว่าพระอุชานาสัญญีเที่ยวแสหาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่านั้นว่าภิกษนุนิ่งอย่างนี้ภิกษุนิห่มอย่างนี้เป็นต้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระสัสดาทรงตรัสว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่นยกโทษผู้อื่นเป็นนิดผู้นั้นย่อมไกลจากความสิ้นไปแล้วแห่งอาสวะในการจบเจชนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ อนุปวาโทการไม่พูดร้ายไม่พึงพูดถึงความไม่ดีของผู้อื่นเป็นหนึ่งในคำสอนโอวาทปาติโมกและเดราชานกระถาทั้ง32พระการคือเรื่องทางโลกไม่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งไม่ควรพูดอีกทั้งปิสุณวาทะและสัมผับปลาปะวาทะการพูดสอเสียด และเพอเจอร์เลหลวไหลไร้สาระทำให้ผู้ฟังเสียหายและเสียเวลาฟังเหล่านี้เป็นวจีทุจริตในอกุศละกรรมบทพึงงดเว้นเด็ดขาดควรพูดแต่คาถาวัตถุสิบในทานศีลสมถวิปัสนาการมักน้อยสันโดษเท่านั้นสำหรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสองท่านพบ ก, กัน กิจที่พึงทรมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือพูดธรรมะหนึ่งและการนิ่งหนึ่งพระอริยะเจ้าท่านละวจีทุจริตได้แล้วคนดีมีการไม่เพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังข้อความจากพระลาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่23สาม